อันอาการของเด็กที่แสดงออกนี้ก็เพราะว่ายังมีสติความระลึกได้และปัญญาความรู้ยังอ่อนซึ่งเรียกกันว่ายังไม่เดียงสาเมื่อคอยรู้เดียงสาขึ้น ยิงค่อยอยู่ในระเบียบขึ้นและความรู้เดียงสาขึ้นนี้ก็เพราะว่าได้รับฝึกมาตั้งแต่ฝึกได้ <S <S ดังที่บิดามารดาคอยสั่งสอนคอยเตือนคอยหัดให้พูดหรือพูดด้วยให้บังเกิ ด, ค ว, ดความรู้ต่างๆดีขึ้นก็แปลวา่าฝึก ถ้าไม่ฝึกเลยปล่อยให้โตขึ้นมาเองก็คงจะแสดงกิริยาต่างๆไม่ต่างจากนิรยษฐานเท่าไหรนักเหมือนอย่างคนป่าที่แม่ยังมีอยู่น้อยก็เป็นเครื่องแสดงได้ก่คงเป็นอยู่ แบบสัตว์ป่าเหมือนกันแต่การที่คนเราประพฤติอยู่ในระเบียบดีขึ้นนั้นก็เพราะการฝึกนี้เองพ่อแม่เป็นต้นก็ค่อยๆฝึกมาครูบาอาจารย์ก็ฝึกมา และประกอบกับคนเองเกิดมาเป็นคนก็มีปัญญาที่เกิดมากับชาติคือความเกิดนีกว่าสัตว์นิรือานจึงรับรู้การฝุดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มนุษย์ที่แปลว่าภูมิใจสูงมีมณะสูงมณะใจก็คือความรู้นี่เองมณะแปลว่าความรู้เกิดมาเป็นคนจึงเกิดขึ้นมาด้วยอํานาจของกุศลกุศลก็แปลว่ากิจของคนฉลาดก็คือตัวปัญญานี่เอง คนเราจึงมีปัญญาที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานรับการฝึกฝึกของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ตลอดจนถึ ง, ถ ง, ถงรับการฝึกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสั่งสอนฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้รู้ ว่าการฝึกนั้นเป็นสิ่งจำเป็นดังนี้บัณฑิตทั้งหลายคือภูที่ประกอบด้วยปัญญาที่แปลว่าปัญญาจึงได้ฝึกตนฝึกตนให้ดีขึ้นไปอยู่เสมอตามที่ มันหนิดในสั่งสอนก็สุดปัญญานี้เองให้เจริญขึ้นและเมื่อปัญญาเจริญขึ้นจิตใจก็เจริญขึ้นความประพฤติก็เจริญขึ้นแต่ว่าปัญญาที่จะทำให้จิตใจและความประพฤติเจริญขึ้นนี้ ต้องเป็นสมับปัญญาคือปัญญาที่ถูกที่ชอบต้องเป็นสมาทิฏฐิคือความเห็นชอบปัญญาที่ถูกที่ชอบนี้เมื่อเป็นบัณฑิต คือเป็นภูที่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้ถึงสัจจะคือความจริงย่อมจะรู้ได้และหากพิจารณาดูที่ตนเอง อาศัยคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็จะรู้ได้ตั้งต้นแต่ที่ได้รับคำสั่งสอนว่าอะไรดีอะไรชั่วให้ละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีดังที่แสดงไว้้ในหน้าที่ของบิดามารดา ทามาให้ทำความชั่วให้ผลิตความดีให้ตั้งอยู่ในความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรความความดีนี้เป็นหลักสำคัญตั้งแต่เบื้องตน้นต้องให้รู้จักความที่หัดให้รู้จักความดีความชั่วนี้ย่อมจะต้องอาศัย ความรู้จักฝึกตนก็คือฝึกจิตของตนฝึกจิตของตนก็คือว่าฝึกคือข่มกิเลสให้รู้จักอากุศลละมูลว่าตัวราคะหรือโลภโทสะโมหะนี่เป็นอากุศลละมูล มูลเหตุรากเงาของอกุศลทั้งหลายเป็นตัวอกุศลทั้งหลายด้วยและเป็นรากเงาของอกุศลบาปทุจริตทั้งหลายด้วยส่วนความไม่ลบไม่โกรธไม่หลงหรือไม่ราคะไม่โทสะไม่โมหะเป็นกุศลละมูลมูลของกุศลทั้งหลายเป็นตัวกุศลเองด้วย เป็นบุญกุศลทั้งหลายด้วยต้องฝึกตนให้รู้จักว่านี่เป็นอกุศลมูลนี่เป็นกุศลมูลนี่เป็นบาปเป็นทุจริตนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริตกุศลบาปทุจริตนั้นมีโทษส่วนกุศลบาปดวนกุศล บนสุจริตนั้นมีคนฝึกให้รู้จักอกุศลละโมนรู้จักกุศลละโมนและให้รู้จักที่จะเว้นอกุศลละโมนเว้นไม่ทำบาปสุจริตต่างๆได้ ให้รู้จักกุศลละมูลนิยมชมชื่นในกุศลสุจริตต่างๆได้เหล่านี้เป็นการฝึกทางนั้นซึ่งการฝึกนั้นดังช่างไม้ต้องถากไม้ก็จะเห็นว่าต้องใช้ สิวใช้ขวานถาบต้องใช้เลื่อยต้องใช้ตะไบอะไรเป็นต้นอะไรที่จะต้องตัดออกก็ต้องตัดออกอะไรที่คดก็้องทำให้กรงในที่ที่ต้องการจะทำให้กรงเป็นต้นตรงดัดหรือถาดจิตอันนี้ก็เหมือนกัน หากว่าบังเกิดราคะหรือโลภโทสะโมหะแรงก็เป็นจิตที่คดมากก็ต้องถากกันต้องใสกันอย่าให้คนอื่นถากคนอื่นใส ต้องพยายามที่จะให้ตัวเองถาบตัวเองใสตัวเองการที่ให้คนอื่นๆใสนั้นก็เช่นว่าต้องให้บิดามันดอ้อยคยดูด่าว่ากล่าวให้ครูบาอาจารย์ต้องดูวา่าดูด่าว่ากล่าวต้องให้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้โทษ คือคาสั่งสอนที่รันชี้โทษมากมายต้องให้ทางบ้านเมืองลงโทษจับใส่คุกใส่ตารางลงโทษต่างๆเหล่านี้เป็นการที่คนอื่นถากใสทั้งนั้นเพราะเห็นว่าตนเองไม่เป็นบนัณฑิตถากใสตัวเองไม่ได้ฉะนั้น ผู้เป็นบัณฑิตจึงถากใสตัวเองดัดตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยถากคอยใสยคอยหมั่นพิจารณาตัวเองให้รู้ดีรู้ชั่วในตัวเองปฏิบัติที่จะละชั่วทำดีด้วยตัวเองอยู่ดังนี้แล้วก็หวังได้ว่าจะไม่ต้องถูกคนอื่นถากใส ก็ตัวเองถากสายตัวเองได้จึงปฏิบัติตนให้อยู่ในมัญญาติขอบเขตอันดีงามได้ส่งตนให้ดีขึ้นได้โดยลำดับพระพุทธเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานก็เป็นวิธีที่จะฝึกที่จะถากสายตนเองนี้เอง เพราะเมื่อผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติย่อมจะเป็นการสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในตัวเองและสติปัญญานี้เองก็เป็นแสงที่จะส่องให้ตัวเองมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรและจะดำเนินไปในทางที่ถูก สติปัญญาที่เป็นแสงสว่างอันจะส่องตัวเองให้เดินทางถูกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ถ้าเป็นโมหะความหลงกับทิฏฐิต่างๆแล้วทำให้มืดมองไม่เห็นทางของตัวเองที่จะเดินหลงผิดไปต่างๆแต่ถ้าเป็นสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะเป็นแสงสว่าง ส่งให้ตัวเองมองเห็นทางของตัวเองที่จะดาเนินไปโดยถูกต้องการปฏิบัติทำอานาปานสติที่ว่ามันโดยลำดับก็เป็นวิธีที่จะสร้างสติสร้างปัญญาอันเป็นแสงสว่างที่จะส่งใจตัวเองให้มองเห็นทางอันถูกต้องและดำเนินไปในถูกต้องได้และดำเนินไปโดยถูกต้องได้ เมื่อตรัสสอนให้ศึกษาคือตั้งสติกำหนดสำเนิกว่าเราจับรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อกำหนดรู้กายทั้งหมดได้ทั้งรู ป, ปรกายทั้งนามกาย ก็จะมองเห็นรูปประกายนามกายของตนนี้เป็นไปอยู่อย่างไรเ่ารูกำลังนั่งอยู่วางมือวางเท้าอย่างนี้นามกายนั่นก็ใส่ใจถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้ความรู้ ที่รวมเข้ามาในภายในได้รู้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นได้รู้ทั้งรูปปรกายนามกายอื่นๆทั้งหมดที่รวมกันอยู่เป็นก้อนกายก้อนใจนี้จิตก็ตั้งสงบอยู่ในภายในไม่ภายไม่ออกไปภายนอก เมื่อเป็นดังนี้กายและใจก็จะละเอียดเข้าโดยลำดับจึงได้ตรัสสอนสืบไปสำหรับในข้ออานาปานสตินี้ซึ่งเป็นข้อกายในที่สุดว่าให้ศึกษาคือตั้งสติสเส็จตลอดว่าเราจะระงับกายสังขาร ให้ใจเข้าให้ใจออกคำว่ากายก็คือรู ป, ปกายนมามกายดังกล่าวมานั้นนั่นเองสังขารก็คือว่าความปรุงแต่งหรือเครื่องปรุงแต่งกายกายจะสังขารความปรุงแต่ง หรือเครื่องตรุงแต่งรูปประกายก็คืออาการของกายอาการของรูปประกายเช่นเมื่ออยู่ในอิริยาบถนั่งบางทีก็นั่งเอียงไปข้างซ้ายบางทีก็นั่งเอียงไปข้างขวาบางทีก็นั่ง เอียงไปข้างหน้าบางทีก็นั่งเอียงไปข้างหลังบางทีก็นั่งเอียงไปเอียงมาที่เดียวกับกระสับกระสายเหล่านี่เป็นกายสังขารส่วนรูปหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นกายสังขาร คือกายนี้เองปรุงแต่งการหายใจกายส่วนที่หายใจอยู่โดยธรรมชาติกับกายที่ปรุงแต่งเช่นที่ปอดปอดก็ปรุงแต่งตั้งแต่จมูกประยชน์ทึ้งทองที่พองยุบ ก, ก็ปรุงแต่งเหล่านี้ก็เป็นกายสังขารปรุงแต่งกายส่วนรูป เรานี้ก็หากว่าปรุงแต่งกายส่วนรูปนี้หยาบกายก็จะเอียงไปเอียงมาหายใจเข้าหายใจออกก็จะหืดฮาดหรือบางทีเป็นแบบนั่งปลุกตัว ป, ปุบปับปุบปับคนๆลงลงเหล่านี้เป็นการปรุงกายทางั้นส่วนรูปคราวนี้มาถึงกายสังขารปรุงกายส่วนนามกายก็เหมือนกันจิตใจที่ คิดโน่นคิด น, น, ดนี่ตลอดจนถึงจิตใจที่กำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็เป็นกายสังขารสูนานา ม, มากายบางทีมีตัณหาเข้ามาปรุงอีกเป็นความอยาก นั่งกรรมาฐานอยู่บางทีก็มีสันธามาปรุงอยากจะให้ได้เร็วๆถ้าหากว่าเกิดเมื่อยขึ้นมาก็อยากจะเลิกเร็วๆถ้าเพลินเข้ามาก็ขึ้นมาก็อยากจะทำต่อไปนานๆอยากจะตาทิพหูทิพเห็นนั่นได้ยินนี่ เหล่านี้ก็เป็นกายสังขารปรุงกายส่วนนามากายและกายสังขารที่ปรุงกายส่วนนามากายนี้บางทีก็มีนิวร์เข้ามาดึใจให้ออกไปปรุงอารมณ์ภายนอกต่างๆอีเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความรู้ว่าเราจับ ระ ง, งับกายจะสังขารถึงเรื่องเครื่องปรุงกายอันหมายความว่าระ ง, งับจับหยาบไปหาละเอียดรวมใจเข้ามาให้รู้กายทั้งหมดให้รู้กายทั้งหมดว่ากายเป็นยังไงปรุงอยู่ยังไงกายเป็นยังไงใจยังไงกำลังปรุงยังไงแล้วก็กําหนดใจว่าเราจะ ระงับความปรุงนั้นเมื่อกำหนดอยู่ดังนี้แล้วกายกายถ้าปรุงก็ยอมจะรู้เมื่อรู้ก็ต้องระงับการปรุงนั้นเช่นวัาถากายโยกเยกไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังแล้ว่าเต้นทุกพับผุกพับเป็นแบบที่เรียกว่าปลุกตัว ก็ต้องหยุดทันทีว่านี่ไม่ถูกต้องนั่งให้สงบจิตก็เหมือนกันจิตที่ปรงอย่างง้อนอย่างนี้บางทีก็ปรุงกำหนดแรงไปเมื่อกดงวแรงไปบางทีก็ปวดทิ่สะก็ต้องคลายคืออย่าไปยึดปฏิบัติปล่อยทำความรู้ รูประกายนามกายรวมจิตเข้ามาในภายในรู้ปล่อยรู้วางไม่รู้ยึดรวมใจเข้ามากำหนดอยู่ดังนี้จิตก็จะรวมดีขึ้นและความปรุงกายทั้งรูปทั้งนามนั้นก็จะสงบเข้าสงบเข้าจนถึงละเอียดที่สุดเหมือนอย่างไม่หายใจ แก็ต้องให้ทำความรู้ว่าความจริงให้ใจจะให้ใจอย่างละเอียดเั้งดังนี้แล้วก็จะได้อานาปานสติสมาธิจะได้ในขั้นที่รวมใจเข้ามารู้กายทั้งหมดคือทั้งรู ป, ปรกายนามกายรูปกายใจแล้วก็ระ ง, งบับระ ง, งับการปรุง ทั้งรูปทั้งรูปประกายทั้งนา ม, มากายโดยที่ทำความรู้กำหนดอยู่ในภายในแต่รู้ปล่อยรู้วางไม่รู้ยึดและไม่ทำความปรารถนาอะไรให้เป็นความรู้เป็นอุเบกขาอยู่ภายในดังนี้จึงจะสาเร็จเป็นอาณาปานสติสมาธิได้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 ไว้ว่าบุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ชื่อว่ารักษาตนด้วยรักษาผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้น การปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่จึงเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติรักษาตนทั้งรักษาผู้อื่น และได้ตรัสสอนไว้อีกว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภูมิตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่ง โดยปฏิบัติในสนานทั้งสี่พราะฉะนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่จึงเป็นกิจอันสำคัญที่ทุกคน ูมมุ่งความบริสุทธิ์มุ่งพ้นทุกข์จะพึงปฏิบัติจึงใคร่ที่จะได้กล่าวถึงเรื่องที่พึง และเรื่องรักษาตนอันทียบขึ้นนั้นเราทั้งหลายต่างก็ได้ถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจา้าประธรรม และพระสงค์เป็นสาระคือที่พึ่งดังที่ได้เปร่งวาจาถึงกันอยู่ทุกคราวที่รับศีลและก็ได้สวดกันอยู่ วา่าบุษฐางสรนังกัชามิคำมังสรนังกัชามิสร้างขังสรนังกัชามิเข้าไปเจ้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระคือที่พึ่งดังนี้ และก็เป็นมีพระพุทธภาติปตรัสสอนไว้ดังที่เรอยกขึ้นมาแสดงแล้วว่าตรัสสอนให้มีตนเป็นที่พึ่งให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งฉะนั้น ยึงเป็นอันว่าตรับสอนให้เพิ่มตนเป็นที่พึ่งเขาอีกอย่างหนึ่งและก็ได้มีพระพุทธภาสิทตรัสไว้อีกว่าอัตตาหิอั ต, อตโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนดังนี้ ฉะนั้นจึงสมควรพิจารณาว่าจะไม่ขัดแย้งกันหรือเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นตนเองว่าไม่ขัดแย้งกัน โดยที่พึงทำความเข้าใจในที่พึงทางดวงนี้ว่าเป็นอย่างไร